คึณใส่มนดำเป็นวิชามยธิธิคือฤทธิ์ที่เกิดจากวิชาเศยศาสตร์นะคะเช่นคำผีพระเวทคาถาเป็นโลกี้ชาญและก็เป็นมหัศจรรย์ทางจิตตานุภาพอีกทางหนึ่งซึ่งสามารถกระทำให้สำเร็จประโยชน์ได้อย่างเหลือเชื่อ แต่วริต ท, ที่เกิดขึ้นโดยโลกิยาชานไม่คงทนถาวรมีการเสื่อมคลายหายไปได้จำเป็นต้องฝึกฝนกระทําอยู่เรื่อยๆค่ะหากปล่อยปละละเลยไม่แน่วแน่มุ่งมั่นสักเท่าไหร่ริด ท, ที่มีก็จะจางหายสลายไปเมื่อนั้นเหตุนี้พวกที่มีวิชาศยศาสตร์ประเภทคุณใสปล่อยของปล่อยคุณไปทำร้ายผู้คนจำต้องทบทวนทดลองวิชาของตนอยู่เสมอนะคะ แล้วก็เคล็ดวิชานี้มีความน่ากลัวอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเมื่อถึงวาระหนึ่งถ้าไม่ทำพิธีปล่อยของออกไปของนั้นก็จะย้อนกลับมาเข้าตัวของตัวเองค่ะผู้ที่มีวิชาคุณใส่ประเภทนี้อุปมาเหมือนคนถือท่อนไม้มีไฟลุกโพล่อยู่ตลอดเวลาขณะที่ไฟลุกไหม้ตรงปลายท่อนไม้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นักนะคะแต่เมื่อเปลวไฟกินเนื้อไหม้ลุกลามเข้ามาจนใกล้จะถึงมือ ขืนถืออยู่ต่อไปย่อมเป็นอันตรายแก่ตัวเองจําเป็นต้องโยนท่อนไม้ติดไฟนั้นไปให้ไกลตัวเองจะไปถูกใครหรือตกหล่นลงบ้านใครก็แล้วแต่ดวงว่างั้นเถอะทั้งนังที่รู้นะคะว่าวิชาเศยศาสต ร, ร์ในแนวทางนี้นมีอันตรายสูงมากกระนั้นก็ยังคงมีผู้ที่ไปเล่าเรียนสืบทอดต่อๆกันมาซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียนมาทำไม ด้วยเหตุนี้ค่ะผู้เฒ่าผู้แก่แต่โบราณก็เลยสอนลูกสอนหลานต่อๆกันมาว่าให้ระวังพวกลมเพลมพัดถ้าได้ยินได้เห็นอะไรผิดปกติอย่าเอ่ยปากทักอย่าดูถ้าไปทักมันหรือว่าไปมองดูสิ่งนั้นอาจจะเข้าตัวได้ก็เพราะว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นคุณใสที่พวกมีวิชาไสยศาสตร์จำเป็นต้องปล่อยของชั่วร้ายออกไปเพื่อไม่ให้ย้อนกลับมาเข้าตัวเองนั่นเองค่ะ ศิยศาสตร์เหล่านี้คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันก็ไม่เชื่อนะคะว่ามีอยู่จริงส่วนมากก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้หรือเป็นเรื่องความเชื่ออย่างงมงายไร้สาระทั้งนี้ก็เป็นเพราะไม่มีการพิสูตรยืนยันทางวิทยาศาสตร์และก็ไม่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนให้เห็นเป็นรูปประธรรมได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคุณผู้ฟังศาสตร์ลึกลับดังกล่าวเนี่ยมีอยู่จริงแลวก็ยังมีอยู่นะคะ บุคคลผู้ซึ่งเคยเผชิญกับสิ่งลึกลับอันเกิดจากอริษฐ์อำนาจของสายเวทมนต์ดำมีอยู่จำนวนหนึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยบางท่านก็หาคำอธิบายไม่ได้ว่าเป็นเพราะเหตุใดภาวะลึกลับบางอย่างจึงเกิดขึ้นกับตัวเองบางท่านไม่มีโอกาสเปิดเผยเรื่องเหล่านี้ให้แพร่หลายออกไปหรืออาจเนื่องจากเกรงน ะ, ะว่าบอกกล่าวเล่าให้ผู้อื่นรับรู้รับฟังแล้วจะไม่มีใครเชื่อ ซึ่งดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องตลกแล้วก็หาว่าเราบ้าก็เลยเก็บงำประสบการณ์ของตัวเองเอาไว้แต่ว่ามีบุคคลท่านหนึ่งถ่านได้ประสบกับภาวะอันเหลือเชื่อเนื่องจากอํานาจของคุณใส่ด้วยตัวของท่านเองท่านผู้นี้เป็นผู้มีการศึกษาระดับสูงยึดถือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่เคยเชื่อถือเรื่องไสยศาสตร์แม้แต่น้อยแต่ว่าภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวท่านทําให้ต้องยอมรับค่ะว่าไสยศาสตร์นี่มีจริง ท่านผู้นี้คือนายแพทย์สํานวนบัวพิมพแพทย์ศาสตร์บัณฑิตสาธารณสุขสาศาสตร์มหาบัณฑิตจากคณะแพทย์ทฤษศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านมีความสามารถส่วนตัวทางด้านดนตรีโดยเป็นนักไวโอลินระดับโลกและก็ได้เคยรับเชิญให้ไปแสดงฝีมือเดี่ยวไวโอลินที่สหรัฐอเมริกาเดนมาร์กสวีเดนและก็อีกหลายประเทศทั้งยังเป็นอาจารย์สอนไวโอลินระดับสูงในกองดุริยางทหารบกด้วย บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถนับเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของประเทศเช่นนายแพทย์สํานวนบัวพิมไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะที่จะเข้าไปพัวพันกับอนาจลึกลับศิศาสตร์ทุกกรณีแต่ว่าสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นกลับบังเกิดต่อนายแพทย์ท่านนี้อย่างน่าพรั่นปรึงย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2520ค่ะสภาวะการไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นกับนายแพทย์สํานวน กล่าวก็คืออยู่ดีๆมือซ้ายของท่านก็เกิดมีอาการเกรงขึ้นมาเวลาเล่นไวโอลินอย่างฉับพลันทําให้ไม่สามารถที่จะเล่นไวโอลินได้อีกนายแพทย์จำนวนตกใจค่ะอยู่ๆมือซ้ายของท่านเนี่ยเกิดมีอาการผิดปกติดังกล่าวก็เลยรีบไปพบนายแพทย์เพื่อให้ตรวจแล้วก็รักษาแพทย์ทําการตรวจอย่างละเอียดก็ไม่พบสาเหตุที่ทําให้มือข้างซ้ายมีลักษณะเป็นอาการเช่นนี้จึงไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้น ะ, ะว่าเป็นโรคอะไร อาการมือซ้ายเกรงเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุอะไรนายแพทย์สำนวนก็ไปให้แพทย์แล้วก็สถานพยาบาลเฉพาะทางตรวจเพื่อทำการรักษาหลายแห่งหลายที่แต่ว่าอาการผิดปกติที่มือซ้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยจึงเท่ากับว่ามือข้างนั้นหมดสมรรถภาพไปโดยปริยายค่ะนายแพทย์สำนวนบัวพิมพได้รับความทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่านเป็นนักไวโอลิน แต่ว่าหมดโอกาสได้เล่นเครื่องดนตรีที่ท่านรักแล้วก็มีความสามารถถึงระดับสุดยอดสถานการณ์เช่นนั้นย่อมเป็นภาวะอันตรายอย่างสูงสุดนะคะของนักดนตรีค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายแพทย์สำนวนพยายามหาทางบำบัด ร, รักษามือข้างซ้ายด้วยวิธีต่างๆซึ่งเป็นวิทยาการสมัยใหม่แต่ว่าไม่ปรากฏผลดีให้เห็นเอาซะเลยจนกระทั่งมีผู้รู้จักนับถือท่านหนึง่งแนะนาให้ไปทดลองรักษาทางศัยศาสตร์ดูบ้าง บางทีอาการอาจจะดีขึ้นก็ได้โดยระบุว่าควรไปพบกับอาจารย์สมทั์เขมาจารีท่านผู้นี้เนี่ยเป็นอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิยศาสตร์และก็มีจิตตานุภาพสูงมากและได้ช่วยเหลือผู้ซึ่งประสบกับความทุกข์จากอำนาจเร้นลับที่วิทยาการทางการแพทย์ไม่สามารถรักษาให้หายได้จนอาการแห่งความทุกข์ผ่อนคลายหายไปนักต่อนักแล้วนะคะ นายแพทย์สำนวนบัวพิมพไม่เคยสนใจและก็มีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์เอาซะเลยด้วยคิดว่าเป็นความเชื่ออันงมงายของคนบางกลุ่มบางพวกเท่านั้นแต่ว่าเวลานั้นท่านไม่มีทางเลือกอย่างอื่นเนื่องจากตระเวนไปรักษาตัวเองมาจนหมดทุกแห่งแล้วเมื่อมีผู้แนะนำเป็นบุคคลที่นับถือท่านก็เลยตัดสินใจไปลองทดลองรักษาดูนะคะวันที่ยี่สาพฤษภาคม25 23, นารอยนายแพทย์สนวนบัวพิมพ พร้อมกับคุณอุบลซึ่งเป็นภรรยาค่ะพร้อมด้วยท่านผู้แนะนำซึ่งมีความเคารพนับถืออาจารย์สมมทัศน์มาก่อนได้เดินทางไปที่บ้านของอาจารย์สมทัศน์ในซอยสวนพลูอาจารย์สมทัศน์ตรวจดูสาเหตุที่มือข้างซ้ายของนายแพทย์ว่าเกิดอาการเกรง็งอาการาเจ็บปวดได้อย่างไรนคะแล้วก็ตรวจดูตามพิธีของท่าน หลังจากนั้นท่านก็บอกกับนายแพทย์สำนวนว่าอาการผิดปกติดังกล่าวเนี่ยมีสาเหตุมาจากถูกของหรือคุณใสส่วนการถูกทำร้ายด้วยของหรือคุณใสดังกล่าวไม่อาจบอกได้ว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําหรือเป็นเพราะว่าบังเอิญไปรับคุณใสประเภทลมเพลมพัดมาเข้าตัวโดยไม่รู้ก็เป็นได้อาจารย์สมทัศ ก็บอกว่าจะช่วยเหลื อ, อเรียกของร้ายที่แฝงอยู่ในร่างกายของนายแพทย์สานวนออกมาให้แล้วท่านก็ทำน้ำมนต์แล้วก็ทำพิธีเรียกของพร้อมกันนั้นก็ได้ให้นายแพทย์สนวนนี่มารดน้ำมนต์ค่ะหลังจากอาจารย์สมุทั์รดน้ำมนต์ไปที่ตัวของนายแพทย์สาสนวนครู่หนึ่งพร้อมกันนั้นท่านก็ร่ายพระเวทคาถาอย่างต่อเนื่อง ปรากฏนะคะว่าสิ่งที่เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นค่ะตรงหัวไหล่ด้านซ้ายของนายแพทย์สํานวนมีตะปูตัวหนึ่งค่ะผุดทะลุขึ้นมาจากผิวเนื้ออาจารย์สมาทัศน์บอกกับคุณอุบลนะคะผู้เป็นภรรยาซึ่งอยู่ใกล้ๆบอกว่าใช้คีมจับตะปู ต, ตัวนั้นแล้วดึงออกมาตรงๆเมื <Hej S 2> ่อตะปูหลุดออกมาหมดเล็บนะคะก็เห็นว่าเป็นตะปูเก่าๆค่ะตะปูเก่าๆนี้ก็มีสนิมจับเคราะขนาดสองนิ้วซึ่งเป็นขนาดเดียวกันกับตะปูตอกฝาลงนะคะ เป็นความมหัศาจรรย์อันเหลือเชื่อที่นายแพทย์สำนวนบัวพิมพและก็คุณอุบลภรยาประสบด้วยตัวเองโดยเฉพาะตัวของนายแพทย์สำนวนนั้นคิดไม่ถึงค่ะว่าจะมีตะปูเข้าไปซุกซ่อนอยู่ในร่างกายของท่านและตะปูตัวนั้นเข้าไปในร่างกายได้อย่างไรหากกล่าวในเชิงวิทยาศาสตร์ย่อมเป็นไปไม่ได้ทุกกรณีค่ะแต่ว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะ อาจารย์สมรทัศน์กล่าวกับภรรยาแล้วก็สามีทั้งสองว่าของในตัวนายแพทย์สำนวนยังมีอีกจะต้องเรียกของออกมาให้หมดจึงจะปลอดภัยจากนั้นท่านก็ทำพิธีเรียกของร้ายในร่างของนายแพทย์สำนวนเวลาประมาณบ่ายโมงค่ะตะปูตัวที่สองก็ปรากฏให้เห็นนะคะคราวนี้หัวตะปูผุดโผล่ขึ้นมากลางกระหม่อมสีสษะ อาจารย์สมาทัสบอกให้คุณอุบล น, นี้ใช้คีมคีบดึงตะปูตัวนั้นออกมาเมื่อตะปูหลุดออกมาแล้วก็มีขนาดเท่ากันกับตัวแรกแต่ว่าโคดงอและก็มีสนิมจับพอๆกันค่ะหลังจากเรียกตะปูตัวที่2 อ, ออกมาได้อาจารย์สมรทัสก็บอกว่าวันนี้หยุดแค่นี้ก่อนในร่างของนายแพย่สำนวนนียังมีของซ่อนเร้นอยู่อีกวันพรุ่งนี้ให้มาพบท่านใหม่จะทาการเรียกของที่เหลือออกมาจนหมด นายแพทย์สำนวนและก็คุณอุบลซึ่งเป็นภรรยาค่ะก็ได้กราบลาท่านกลับบ้านเหตุการณ์เหลือเชื่อเช่นนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ยากที่จะทําใจเชื่อได้อย่างสนิทใจค่ะแต่ว่าสําหรับนายแพทย์สำนวนและก็คุณอุบลภรรยาซึ่งไม่เคยเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์มาก่อนเมื่อประสบพบเห็นความอัศจรรย์ที่ไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ก็ต้องยอมรับอย่างหมดหัวใจว่าภาวะลึกลับดังกล่าวมีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงๆ วันรุ่งขึ้นคุณประวัติโ ช, ชดกรมจรนะคะซึ่งรู้จักคุ้นเคยกับนายแพทย์สำนวนบัวพิมพค่ะแล้วก็รับทราบนะคะว่านายแพทย์สำนวนเนี่ยจะไปให้อาจารย์สมทัดเรียกของร้ายออกจากร่างกายในวันนี้ก็เลยมาชวนคุณทอเลียงพี่บูน ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทไปดูเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยกันคุณทอเลียงพี่บุญก็ตกลงว่าจะไปด้วยเมื่อไปถึงบ้านของอาจารย์สมทัศน์เขมาจารีก็พบกับนายแพทย์สำนวนคุณอุบลภรรยาและก็บุคคลอื่นอยู่ด้วยก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับอธิบดีท่านหนึ่งพอถึงเวลาเรียกของร้ายออกจากร่างอาจารย์สมทัศน์ก็ได้ทำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รดให้กับนายแพทย์สำนวนจากนั้นท่านก็ได้ประเวทเรียกสิ่งชั่วร้ายที่แอบแฝงอยู่ในร่าง ครูหนึ่งค่ะบนไหลด้านขวาของนายแพทย์สำนวนก็มีตะปูตัวหนึ่งค่อยๆโผล่ขึ้นมาอาจารย์สมทัน์บอกคุณทอเลียงพิบูลซึ่งอยู่ใกลๆ้ๆให้ช่วยถอนตะปูตัวนั้นออกมาคุณทอเลียงพิบูลก็เข้าไปดึงค่ะโดยใช้มือรวบหัวตะปูแล้วก็ดึงออกแรงๆเนะะียค่ะตอนแรกคิดว่าตะปูจะหลุดออกมาง่ายๆทว่า กลับรู้สึกว่าตะปูนี่ติดตรึงกับผิวเนื้อดุดตอกติดกับแผ่นไม้คุณทอเรียงพี่บูร์จึงดึงเต็มเหนี่ยวจนเซแทบหกล้มแต่ว่าตะปูก็ไม่ยอมขยื่นหลุดออกระหว่างที่คุณทอเรียงพี่บูร์ดึงตะปูค่ะแพทย์สํานวนถึงกับส่งเสียงร้องดังลั่นด้วยความเจ็บปวดแต่ว่าอาจารย์สมทัศน์นะคะก็สั่งให้ทอเรียงพี่บูลเนี่ยไม่ให้วางมือให้พยายามดึงตะปูออกมาให้ได้ คุณทอเรียงพี่บู์ก็เลยทุ่มแรงดึงกระชาหัวตะปูเต็มกำลังจนกระทั่งหัวตะปูซึ่งเก่าแล้วก็มีสนิมจับหักขาดคามือตะปูตัวร้ายทำท่าจะมุดกลับเข้าไปในร่างใหม่อาจารย์โสมทัตก็ได้ไดายพระเวทคาถายับยั้งไม่ให้ตะปูเนี่ยผุบหายเข้าไป ขณะเดียวกันนะคะคุณทอเรียงพิบูล ร, รีบบอกท่านอธิบดีซึ่งยืนอยู่ใกล้ที่สุดให้ช่วยดึงตะปูตัวนั้นแทนท่านอธิบดีก็เข้าไปดึงตะปูสุดแรงค่ะตะปูตัวนั้นได้หลุดออกมาในที่สุดเมื่อตะปูตัวร้ายหลุดออกมาแล้วบนผิวเนื้อตรงหัวไหล่ก็ปรากฏว่ามีบาดแผลเล็กๆมีเลือดไหลซึมออกมานิดหน่อย ในวันนั้นอาจารย์สมมทัศได้เรียกสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในตัวนายแพทย์สำนวนออกมาจนหมดนะคะทำให้ในายแพทย์สำนวนดีใจจนน้ำตาไหลซึมเพราะว่าอาการผิดปกติที่มือซ้ายซึ่งเป็นมานานประมาณ3ปีได้หายไปเป็นปลิดทิ้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ตลอดเวลาอันยาวนานที่มือข้างนั้นใช้การไม่ได้ในการเล่นไวโอลินนายแพทย์สํานวนบัวพิมค่ะได้รับความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจอย่างสุดพรนนาและตลอดเวลาเหล่านั้นก็ได้พยายามบําบัด ร, รักษาด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันจากสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียงและนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ก็ไม่ปรากฏผลใดๆทั้งสิน้นเรื่องอิทธิฤทธิ์เป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องนอกเหนือเหตุผลเกินกว่าจะอธิบายให้เห็นเป็นรูปประธรรมได้ แม้แต่อาจารย์สมทัศน์ท่านก็ไม่ได้อธิบายให้รับรู้อย่างละเอียดท่านให้เหตุผลเพียงแต่ว่ารู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ความเป็นไปไม่ได้แต่กลับเป็นไปได้จริงๆปรากฏให้เห็นดังเช่นกรณีนายแพทย์สำนวนบัวพิมพซึ่งได้เผชิญกับอิทธิฤทธิ์ของวิชาไสยศาสตร์ทําให้เกิดคําถามซึ่งไม่สามารถหาคําตอบได้นะคะว่าเหตุใดตะปูหลายตัวจึงเข้าไปอยู่ในร่างของท่านตะปูเหล่านั้นชําแรกแทรกผิวเนื้อของท่านเข้าไปได้ด้วยวิธีใด ยิ่งมีตัวตะปูโผล่ขึ้นมากลางศีรษะของน้าแพทย์สำนวนและถูกดึงออกมาโดยคุณอุบลภรรยาของท่าน หากไม่เห็นกับตาก็คงเชื่อยากเพราะตะปูทั้งตัวจะเข้าไปอยู่ในศีษะได้อย่างไรโดยไม่มีอาการทางกายระบุว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปฝังอยู่ในส่วนของสมองและลักษณะที่ตะปูยาวถึงสองนิ้วฝังอยู่ใต้กะโหลกศีษะแล้วค่อยๆโผล่ขึ้นมาให้คุณอูบลดึงจนหลุดออกมานั้นก็แสดงนะคหัว่าตะปูปักเข้าไปในก้านสมองอย่างแน่นอน ทำไมส่วนสมองซึ่งมีตะปูยาวขนาดนั้นช้ำแรกอยู่แล้วก็ถูกดึงออกมาจึงไม่มีบาดแผลหรือทำลายเนื้อเยื่อสมองแม้แต่นิดเดียวนี่ก็คือความมหัศจรรย์แห่งอิทธิฤทธิ์ทั้งฝ่ายกระทาและฝ่ายแก้ นอกจากนาาแพ้สำนวนแล้วนะคะซึ่งถูกอริทคุณสาเล่นงานเอาจนแทบเสียมือซ้ายไปช่วยชีวิตยังมีบุคคลผู้ซึ่งมีชื่อเสียงท่านอื่นๆพบกับอิทธิฤทธิ์อีกจำนวนไม่น้อยเพียงแต่จะเป็นที่เปิดเผยหรือไม่เท่านั้นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณสมนดําเป็นการเสกตะปูเข้าไปสิงสู่อยู่ในร่างกายของมนุษย์นะคะ ทีนี้มาฟังเรื่องราวของบัวธนูควายธนูกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังฝากฝั่งของขลังกันนะคะหลังจากที่ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคุณสมีตำนานเล่ากันมาแต่โบราณค่ะว่าเป็นศาสตร์โยคะแพร่หลายอยู่บางแคว้นของประเทศอินเดียแล้วก็ในการลัทวีปประเทศคองโกตลอดจนแถบแม่น้ำอเมซอนค่ะแล้วก็ทวีปเอเชียก็มีอยู่ในประเทศกัมพูชาและประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีผู้เรืองอาคมนิยมศึกษาเล่าเรียนซึ่งเรียกว่าส่ดำหรือมนดำซึ่งเป็นเดรัจฉานวิชาแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นวิชาของสัตว์เดรัจฉานหรือวิชาพวกเดรธีหรือเรียกว่าวิชาขวางกัน้นหนทางไปสู่นิพพานนั่นเองค่ะแล้วก็ยังรวมทั้งวิชาเสกหนังเข้าท้องบังฟันสเสดโซตรวนชื่อคาถาลุยฟุตอาฟัด ต, ต่างๆก็จัดอยู่ในจาพวกเดียวกันทั้งนั้น ผู้มีวิชาอาคมนิยมมีทหารผีไว้เฝ้าบ้านและคุ้มครองป้องกันแต่ละเกจิผู้เรืองอาคมจะใช้คาถากำกับแล้วก็มีพิธีกรรมเส้นไหว้เพราะว่ามีดวงวิญญาณสิงสู่อยู่ค่ะหากไม่เส้นไหว้จะทำให้วัตถุเครื่องรางของขลังนั้นไม่มีเรี่ยวแรงหมดกำลังวังชาหรือถอดใจไม่อยากจะทำงานให้ด้วยความเต็มใจ การเส้นไหว้แต่ละวัตถุเครื่องรางของขลังจะเหมือนกันนะคะสําหรับการเส้นไหววัวธนูหรือว่าควายธนูผู้ที่เป็นเจ้าของที่เรืองอาคมจะถวายยาคาเจ็ดก้านหรือเจ็ดใบยาคาแต่ละใบจะขมวดปมที่ปลายและขมวดปลายนั้นกลั้นลมหายใจไปด้วยพร้อมกับบริกรรมท่องพระเวทด้วยคําว่าอุปคุตมัดมานอิมังอังคพันทะนังอาทิฐานมิ เมื่อบริกรรมพระคาถานี้จบค่ะให้เป่าลมปรายอาคมจะ ป, ประจุใส่ลงไปในปมปลายคะคาทั้ง7จ็ดใบแล้วก็ถวายน้ําเปล่าหนึ่งแก้วหรือว่า1จอกหากครบเวลาเมื่อกล่าวลานะคะให้เอาน้ําเปล่าที่ถวายวัวธนูหรือควายธนูนี้ไปพรมบริเวณหน้าร้านขายของดีนักแหลห้ามเอาน้ําในจอกนี้ไปเททิ้งนะถ้าถาบริกรรมปลูกเสกวัวธนูหรือควายธนูมีดังนี้ค่ะ ครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาบอกว่าท่านใดจะใช้พระคาถาบทนี้จะต้องสวดมนต์บูชาคุณพระศรีรัตนตรยัยและบูชาครูสามคาบซะก่อนดังนี้ท่องนโมสามจบนะคะแล้วก็ให้ใช้บริกรรมคาถาจะเป็นบทที่หนึ่งก็คืออมโคโนงวัวท่านูผู้หน้ายาวกว้างศอกตาปอกหอบเขานะคะก็จะยกตัวอย่างประมาณนี้แล้วก็บทที่สองจะเป็นอมอุทเทตยังสนธิ อมงัวธนูลูกแม่เท่ารักษาเจ้าจงดีผีสางเสด็จหนีขวัญคร้านอมโคโนโมหาโคโนประมาณนี้นะคะซึ่งครูบาอาจารย์เจ้าของวิชานี้ให้บริกรรมคาถาบทนี้ประจุครบ9ร้าคาบเมื่อบริกรรมคาถาจบแล้วก็ให้เอาน้ำเปล่าแล้วก็หญ้าคาหรือหญ้าธรรมดาต้องเป็นหญ้าสดๆเท่านั้นนะแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่ต้องการค่ะแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่สุจริตใจ และต้องมีความบริสุทธิ์ใจไม่มีนอกมีในแล้วก็ละความโลภด้วยเมื่อนั้นถึงจะสําเร็จสมปรารถนาตามต้องการด้วยทุกประการนะคะหากจากให้มีพุทธคุณมากขึ้นด้วยเมตตามหานิยมเป็นเลิศก็ควรจะเสริมด้วยการบริกรรมคาถาบทนี้ค่ะสุวัรณนะมุขวาจะงังมะทูสังปิยายันติมนานุสสาจะเอกังปียังเอหิ ก็บริกรรม9้ารอบเหมือนกันหรือว่า9ค้าข้าเนี่ยนะคะหากต้องการให้ลงอของขลังหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ควรจะบริกรรมประมาณร0 8ข้าบทุกวันขึ้น8ขา้ามแล้วก็ขึ้น15ขาข้ามก็คือวันพระนั่นเองค่ะ จากประสบการณ์ชีวิตในอดีตของผู้ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะท่านบอกว่าไสยศาสตร์เกี่ยวกับความเชื่อของวัวธนูและก็ควายธนูของคนสมัยก่อนนั้นเนี่ยมันมีมูลความจริงซึ่งผู้เล่านามสมมุติชื่อลุงจันแกเป็นลูกศิษย์ของหลวงลุงที่เป็นพระเกจิผู้เรื่องอาคมได้เผยประสบการณ์ในอดีตให้ฟังบอกว่าแกเนี่ยจะเชื่อเฉพาะสิ่งที่เห็นด้วยตาเท่านั้นหากเป็นคําพูดของคนอื่นแกจะไม่เชื่อโดยเด็ดขาดหรือหากจะเชื่อก็มีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ เคยมีคนเฒ่าคนแก่เล่าให้แกฟังค่ะว่าเรื่องวัวธนูและก็ควายธนูเมื่อก่อนในหมู่บ้านมีพูดเรื่องอาคมเลี้ยงไว้ยังเคยเห็นวัวธนูและก็ควายธนูที่หมอคุณใสปล่อยออกมาแต่มันไม่ทําอันตรายชาวบ้านหากเพียงแต่ปรากฏตัวพุ่งทยานไปไหนไม่มีใครรู้ตอนแรกนึกว่าวัวแล้วก็ควายใครหลุดออกมาเพ่นพ่านตอนกลางคืนยามดึกดึกแต่พอเพ่งสายตามองดูกันเต็มตามันไม่ใช่วัวและควายของชาวบ้านนี่นาะหากแต่ว่ามันเป็นวัวธนูและควายธนู ชาวบ้านที่มองเห็นนะะต่างก็พากันหวาดผวารีบยกมือพนมไหว้บอกวัวธนูแล้วก็ควายธนูบอกว่าอย่ามาทำร้ายเลยนั่นก็เป็นคำบอกเล่าของผู้เท่าผู้แก่ที่แกได้ยินมาแต่ว่ายังไม่เชื่อว่าเรื่องอย่างนี้จะมีจริงจนคนเท่าคนแก่ ที่นําเรื่องบัวธนูแล้วก็ควายธนูเนี่ยค่อยๆเสียชีวิตไปทีละคนนีคะแกก็เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้ไปอยู่วัดกับหลวงพ่อที่เป็นลุงบวชมาตั้งแต่เป็นสั ม, มเนนจนเป็นพระค่ะกระถางท่านดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสแกก็ทําหน้าที่เป็นลูกศิษย์หลวงลุงคอยรับใช้ท่านเนื่องจากว่าท่านอายุมากขึ้นแกก็พอรู้ค่ะว่าหลวงลุงเป็นผู้เรืองอาคมรูปหนึ่ง แต่ว่ายังไม่เคยเห็นหลวงลุงสำแดงอิทธิฤทธิ์หรือว่าอิทธิเดชอะไรให้เห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งหนึ่งจนกระทั่งคืนหนึ่งค่ะแกกับเจ้าแกลหลานชายนอนกลางมุง้งหลับกันอยู่ใกล้ๆประตูที่เปิดแง้มของหลวงลุงหูแกก็แว่วได้ยินเสียงวัวหรือว่าควายนี่แหละร้องมอมอดังมาจากลานวัดในใจก็นึกว่าเอ๊ะวัวหรือว่าควายของชาวบ้านคนไหนหลุดออกมาจากคอกมาอยู่ในวัดด้วยความอยากรู้แกก็เลยปลุกเจ้าแกะให้ลุกขึ้น จักได้เป็นเพื่อนกันแต่ว่าปลูกเท่าไหร่เจ้าแกะก็ไม่ตื่นค่ะนี่มันนอนขี้เศร้าจริงๆถ้าไฟไม่กุฏิหลวงลุงคงตายค่ะกองไฟแน่เมื่อปลูกเจ้าแกะไม่ตื่นแกก็เลยตัดสินใจคว้าไฟฉายที่วางอยู่ข้างตัวลุกขึ้นแล้วก็เดินลงกุฏิส่องไฟฉายกระดาษไปทั่วเพื่อจะดูว่าเป็นวัวหรือว่าควายของใครที่หลุดมายามค่าคืนแต่แล้วแกก็ต้องสะดุ้งโยงค่ะ เมื่อไฟฉายส่องไปกระทบร่างของวัวตัวหนึ่งตัวมันเนี่ย่ากยมยำมียันแล้วก็อักขระอาคมแบบขอมเต็มตัวแกจ้องมองเพื่อให้แน่ชัดว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นวัวที่ไม่ใช่วัวทั่วไปที่แกเลี้ยงวัวตัวนั้นยืนนิ่งเฉยแต่ว่าส่งเสียงร้อง ไม่กี่คํานะคะมันก็พุ่งทะยานขึ้นไปบนอากาศลับหายไปทางกุฏิหลวงลุงเท่านั้นแหละค่ะแกได้สติก็รีผันหลังวิ่งขึ้นกุฏิหลวงลุงซึ่งเป็นกุฏิหลังเดียวที่วัวธนูตัวนั้นหายเข้าไปคืนนั้นแกนอนไม่หลับก็ครุ่นคิดสิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเอง หวนย้อนนึกถึงคำพูดคนเฒ่าคนแก่ที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องวัวธนูแล้วก็ควายธนูนะคะว่าเป็นเรื่องจริงที่น่าจะไม่ใช่เพียงแค่ตำนานเอามาหลอกคนรุ่นหลังแน่นอนทําให้แกเชื่อเรื่องวัวธนูแล้วก็ควายธนูตามที่แกได้ยินมาค่ะเรื่องที่แกเห็นวัวธนูคืนนั้นแกก็ไม่กล้าเอาไปเล่าให้หลวงลุงฟังแกก็เก็บไว้ในใจคนเดียว ก่อนจะเอาเรื่องนี้ไปถามพอ่อถึงได้รู้ความจริงว่าหลวงลุงเนี่ยเลี้ยงวัวธนูแล้วก็ควายธนูจริงและวัวที่แกเห็นเนะ่ะเป็นวัวธนูของหลวงลวงุงที่ปล่อยมาคุ้มครองรักษาวัดไม่ให้ขโมยมาลักทรัพย์สินของวัดเมื่อก่อนของในวัดเนี่ยมันหายเป็นประจำหลังจากที่หลวงลวงุงปล่อยวัวธนูออกมาก็ไม่มีของในวัดหายอีกเลยอีกทั้งให้วัวปกป้องเพศภัยจากคุณสายมนดำ ที่อาจจะมีพวกหมอผีหมอคุณใส่บางคนนะคะอยากจะลองดีปล่อยของปล่อยมนต์ดำมาเพ่นพ่านแล้วของมนต์ดาอาจจะหลุดเข้ามาในวัดทําร้ายหลวงลุงหรือพระกับสา ม, มเณรได้รับบาดเจ็บดังนั้นหลวงลุงก็เลยต้องใช้วัวธนูเป็นยามคอยป้องกันภัยจากคุณใสที่เป็นเดรัจฉานอาวิชชาของผู้ไม่หวังดีค่ะเพราะว่าหมอผีหมอคุณใส่บางคนนะมันไม่ได้นึกถึงหรือว่าคำหนึงว่าจะเป็นพระหรือชาวบ้านหากไม่พอใจก็ปล่อยของปล่อยคุณใสมนต์ดำใส่ ที่หลวงนุ่งทำเช่นนี้ก็ไม่ผิดวินัยสงฆ์ถือว่าเป็นการป้องกันตัวและป้องกันทรัพย์สินของวัดมีให้ถูกคนมาขโมยไปคำพูดของพ่อก็เลยทำให้แกในหูตาสว่างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะแกก็เลยเชื่อนักเชื่อหนาเรื่องวัวธนูแล้วก็เรื่องของควายธนูมาจนปัจจุบันนี้แม้ผู้เล่าจะไม่ได้เป็นผู้เรืองอาคมแต่ก็ได้เห็นวัวธนูจนประจักษ์แกสายตาตนเองจนเชื่อได้ค่ะว่าเรื่องไสยศาสตร์มีจริง ท่านผู้ใดจะเชื่อหรือไม่เชื่อแกได้แต่อนุโมทนาสาธุด้วยเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ละคนค่ะ